มงคลทีปนีแปลยกศัพท์ข้อที่39มตาสมาพ ร, ระเหตุนั้นอัญญบทบุคโลอันว่าบุคคลเสวยยะพึงครบปันดิเตเอวะซึ่งบัณฑิต ท, ทั้งหลายนั่นเทียวนะอัญญบทเสวยยะไม่พึงคบพาเลซึ่งคนผ่านทั้งหลายเจ้ประโยคอัญญบทปุคโลอันว่าบุคคล นะเสวยะไม่พึงครบพาเลซึ่งคนผ่านทั้งหลายเสวยะพึงคบปันดิเตซึ่งบันทิตทั้งหลายเกวะลางเอวะอย่างเดียวนั่นเทียวนะหาไม่ได้จุลภาคอาทาโขโดยที่แท้แลอัญบทปุคโรอันว่าบุคคลกตวากละทําแล้วปุญญังซึ่งบุญกินจิอะไรอะไรกระยะ พึงกระทําปรัถนงซึ่งความปรารถนาแม้ว่าเปิดเล็กในอาหางอันว่าข้าพเจ้าประสัยยังพึงคบปันทิเตเอวะซึ่งบัณฑิตทั้งหลายนั่นเทียวนะอัญญบดประสยยังไม่พึงคบพาเลซึ่งคนผ่านทั้งหลายปุญเยนะด้วยบุญอิมินานีอิติปิดังนี้อกิติปันทิตอยถา ราวกับอันว่าอากิติบัณฑิตจบประโยคกีรราได้ยินว่าโสอัญญบทอากิติปนิโตอันว่าอากิติบัณฑิตนั้นปุตโตเป็นบุตรพรามมณามหาสารสะของพรามผู้มหาสารอาศิตโกติวิภวสะผู้มีสมบัติอันบุคคลพึงเสวยมีโกดแปสิบเป็นประมาณ พารานสิยังในกรุงพารานสีอุตวาเป็นมาตาปิตูสุครั้นเมื่อมารดาและบิดาทั้งหลายมเตสุตายแล้วปหายะละแลสับพังอัญญบดสัมปติงซึ่งสมบัติทั้งปวงปัปพชิตตวาบวชแล้วอีสิ ป, ปัปพจังบวชเป็นฤาษีปตวาถึงแล้วกับีละระถัง ซึ่งแคว้นชื่อว่ากปิละอนุปปเพนะโดยลำดับวิหารันโตอยู่ๆวิยาเนในสวนกัปิระรัฐ t h สมีเปในที่ใกล้แห่งแคว้นชื่อว่ากปิละชานาภิญญายัางชาญและอภิญญาทั้งหลายเนพัตเตตวาให้บังเกิดแล้วอ่างคันตวามาแล้วอากาศสนะทางอากาศ โอตริตวาข้ามลงแล้วการธีเปที่เกาะแห่งไม้หมักเมานาคดีปะสมีเปใกล้เกาะแห่งไม้กากระทิงอุปนิสายะเข้าไปอาศัยแล้วการะรุ ข, ขังซึ่งต้นหมักเมามหานตังต้นใหญ่มาเปตวาสร้างแล้วบรรณาสารังซึ่งบรรณาลาวิหาริีอยู่แล้ว ตถาอัญญบทีเปที่เกาอนั้นเจ้ประโยคโสอัญญบทิติตาประสอันว่าอากิติดาบทนั้นอาคันตวาไม่ไปแล้วกาทจิอัญญบทาเนในที่ไหนไหนอปิชตายะประความที่แห่งตนเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยอัญญบทขาทติย่อมฉันพระลานี้ซึ่งผลไม้ทั้งหลาย กสสรุกะสะปละกาเลในการแห่งต้นไม้นั้นมีผลคาทติย่อมฉันปา ต, ตานิซึ่งใบไม้ทั้งหลายอุทกะสินานี้อันหนึ่งแล้วด้วยน้ําอัญยบทตสะอัญยบรุกะสะปาตกาเลในการแห่งต้นไม้นั้นมีใบโจบประโยคอาสนังอันว่าอาสนะสักกสะของเท้าสักกะ อุญหังเป็นอาสนะอันร้อนอโหสีได้เป็นแล้วสีละเตชฉนะเพราะเดชแห่งศีลตัสะอัญญบทตาปะสะสะของดาบทนั้นจะประโยคสโกอันว่าถาสะกะยะตะวาทรงทราบแล้วการะนังซึ่งเหตุต่างนั้นพรมามณะวั น, นีนนะมีเพศเพียงดังเพศแห่งพรามประโยครวบ คันตวาพิขันโตวิยะอาทาสิได้เสด็จไปยืนอยู่แล้วราวกับว่าขออยู่ตัท ะ, ทะอัญญบทหานเนในที่นั้นจประโยคตามประโสะอันวดาบทเสถิตวาหนึ่งแล้วการรับปตานี้ซึ่งใบแห่งหมากเมาทั้งหลายอัญญบทภาชนังโอตาเรตวายังภาชนะให้ข้ามลงแล้วนิสินโนนั่งแล้ว บัรณาาลาทวาเรที่ประตูแห่งบรรณาศาลาอัญญบทจินตเนนะด้วยนคิดว่าเลขในอัญญบทอาหังอันว่าเราขาทิศสามีจากฉันอัญญบทการรับปัตนีซึ่งใบแห่งมากเม้าทั้งหลายสีติปูตานี้อันเป็นของเย็นเป็นอิติดังนี้ ทิสวาเห็นแล้วตังอัญญบทพรมามนังซึ่งพรามนั้นโสมนัสสัปปโตเป็นผู้ถึงพร้อมแล้วซึ่งความโสมนัสอัญญบทหุตวาเป็นปางคีปิตวาใส่เข้าแล้วการรับปัตตานี้ซึ่งใบแห่งหมักเม้าทั้งหลายพิกขาภาชนะในภาชนะแห่งพิกษาตัสสะอัญโบดพรมามนัสสะของพรามนั้นประโยครวบ อัญญบทการับปตังอัตโนอา เ, ศเสศตวาวะยังใบแห่งหมากเม้าไม่ให้เหลือเพื่อตอนเทียวอปจิตวาไม่หนึ่งแล้วปุณะอีกอัญญบทอัตภาวังยังอัตภาพยาเปสิให้เป็นไปแล้วปีติสุเนะเอวะ้วยสุขันเกิดแล้วแต่ปีตินั่นเทียวชบประโยช สโกปิแม้อันว่าเท้าสะ ก, กะขะหิตวาทรงรับแล้วตั้งอัญญบทการับประตังซึ่งใบแห่งหมากเม่านั้นขันตวาเสด็จไปแล้วโธกังหน่อยหนึ่งอันตรธายิหายไปแล้วจประโยคสโกอันว่าเท้าส ก, กะขะโตฟเสด็จไปแล้วอุปายเยนะโดยอุบายเอเตนะเอวะนั่นนั่นเทียว ตีหังสิ้นวันสามจบประโยคตาปโสปิเมอันว่าพระดาบทถ้าตว่าให้แล้วอาหารรังซึ่งอาหารสับพังทั้งปวงอัจจะอั ญ, ญบทสกสะแกเท้าส ก, กะนั้นตีหังสิ้นวันสามเนราหารโรเป็นผู้มีอาหารออกแล้วโอโหสิได้เป็นแล้วยังเองจบประโยค อาถาครั้งนั้นตติยาธิวเสในวันที่สามสักโกอันว่าเท้าสักกะประสีทิตวาทรงเลื่อมใสแล้วอาทาสีได้ประทานแล้ววรังซึ่งพรอจจะอัญญบทาปะสะัะแก่พระดาบทนั้นชุประโยคโสอัญญบทาปโสอันว่าพระดาบทนั้นขันหันโตเมื่อรับวรังซึ่งพร อาหากล่าวแล้วค่าถังซึ่งพระคาถาอีมังนี้อากิติชาตะเกในอากิติชาดกเตระนิปาเตในเตระนิบาตว่าข้อที่40อัญบบทอาหางอันว่าข้าพเจ้าประโยครวบพาลังนะปะัสเสอัญญบทจับไม่พึงเห็นซึ่งคนผ่านด้วยประโยครวบ อั ญ, ญบทภารังนะสุนเนอัอ ญ, ญบทจะไม่พึงได้ยินซึ่งคนผ่านด้วยประโยครวบภาเลนะอั ญ, ญบทสัดทิงนะสั่งวเสจะไม่พึงอยู่ร่วมกับด้วยคนผ่านด้วยประโยครวบพาเลนะอัลลาประสัลลาปังน ะ, กะเกเรอั ญ, ญบดจะ ไม่พึงกระทําซึ่งการสนทนาและการปราศัยด้วยคนผ่านด้วยประโยครวบวงเล็บเปิดปาเลนะอนละัลลาปะสันลาปังวงเล็บปิดนะโจรเรเยจะไม่พึงชอบใจซึ่งการสนทนาและการปราศัยด้วยคนผ่านด้วยอิติดังนี้โจประโยคอัญญบทอธโธอันว่าอัดว่า นาสุเน ย, ยังไม่พึงได้ยินกนเนหิตด้วยหูทั้งหลายอีเมเหล่านี้แม้ว่าอัญญบทพาโลอันว่าคนพานวสติย่อมอยู่อาสุกัฏฐานีนามชื่อในที่โน้อนอิติปิดังนี้อัญญบดอิติดังนี้ประโยครวบตะะอัญญบทปเทสุนาะสุเนอิติ อัญญบททัสสะแห่งในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาบทว่าณสุเนดังนี้จบประโยคสาโกโออันว่าเทาส ก, กะสุตวาทรงเสด็จแล้วตั้งอัญญบทวจนางซึ่งคำนั้นปจฉันโตเมื่อตรถามการะนังซึ่งเหตุพาลาทัศเนในเพราะการไม่ครบซึ่งคนพานตั้งอัญญบทตาประสัง กาพระดาบทนั้นอาหารตรัสแล้วคาถังซึ่งคาถาอิมังนี้ว่ากสปะคาแต่ท่านกาสปะพาโลอันว่าคนพาลอากะรังได้กระทําแล้วกิงนุซึ่งอะไรหนอเตงแก่ท่านจุลภาคอัญโมตตะวังอันว่าท่านวัฏขอจงบอกการระนังซึ่งเหตุจุลภาค กสปะข่าแต่ท่านกสปะอัญญบทตะวังอันว่าท่านณนะอภิกังคสิยมมามไม่ปรารถนาทัศนังซึ่งการเห็นภารัสะซึ่งคนพานเกณนะอัญญยบทการณีนะเพราะเหตุอะไรอิติดังนี้โจ้ประโยคอัญยบทอโถอันว่าอัดว่ามาตาอันว่ามารดาตะวะของท่านภาเลนะ อันคนพาลมาตริให้ตายแล้วกิ้งหรืออุทาหุหรือว่าปีตาอันว่าบิดาวงลด้เปิดตะวะของท่านพาเลนะอันคนพาลมาริโตให้ตายแล้วลวงลด้ปิดจุลภาควาปะนะก็หรือว่าพาโลอันว่าคนพาลอากริได้กระทำแล้วอันนัตถังซึ่งความชิบหายไม่ใช่ประโยชน์ กิงนามะชื่ออะไรอันยังอื่นเตแก่ท่านอัญญบทิติดังนี้ประโยครวบตัทาอัญญบทปรปเทสูกิงนุเตอกรังอิติอัญญบทปะทะทวยสะแห่งในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาหมวดสองแห่งบทว่ากิงนุเตอกรังดังนี้โสอัญญบทตาโส อันว่าพระดาบทนั้นอาจิขันโตเมื่อทูลการะนังซึ่งเหตุตาสะอัญญบทสกสะแก่เท้าสกะนั้นอาหากกล่าวแล้วว่าอัญญบทพาโลอันว่าคนพานทุมเมโทผู้มีปัญญาอันโทษประทุษร้ายแล้วนยติยอมแนะนำอันอย่างซึ่งเรื่องอันบุคคลไม่พึงแนะนานิยุนชติยอมประกอบ อัทุราอย่างในสิ่งอันมิใช่ธุระจุลภาคทุนนิโยอันว่าการแนะนำชั่วอัญญบทพ า, าสรยยสักเสยยโสเป็นความดีของคนผ่านโหติย่อมเป็นจุลภาคอัญบทพาโลอันว่าคนผ่านสัมมาวุตโตปิแม้ผู้อันบุคคลอื่นกล่าวแล้วโดยชอบกุปติย่อมโกรธจุลภาค โส so, อัญญบทพาโลอันว่าคนผ่านนั้นนาชานาติยอมไม่รู้วินยังซึ่งอุบายเป็นเครื่องแนะนำอัญยบททัศมาพระเหตุ น, นั้นอัทธสนางอันว่าการไม่เห็นตัสสะอัญยบทภาละสะซึ่งคนผ่านนั้นสาธุเป็นการยังประโยชน์ให้สำเร็จอัญยบทโหติยอมเป็นอิติดังนี้ อัญบดัตโถอันว่าอัว่าพาโลอันว่าคนพาลคันหาติย่ำถือเอาอาการะนังซึ่งเรื่องอันไม่ใช่เหตุการะนังอิติว่าเป็นเหตุดังนี้จินเตติย่ำคิดอนาถะกรมานี้ซึ่งกรรมอันไม่มีประโยชน์ทั้งหลายเอวะรูปานิอันมีอย่างนี้เป็นรูปว่าอัญบทอาหางอันว่าเรา กตาวากระทำแล้วปาวาติปาตาทีนี้อัญญบดกามานิซึ่งกรรมทั้งหลายมีปานาติบะเป็นต้นก็เปรสามิจากสาเร็จชีวิ ต, ตังซึ่งชีวิตอิติดังนี้อัญญบทอิติดังนี้ประโยครวบตถาอัญญบทปะเทสุอนัยังนยติอิติอัญญบทปัททะทวยายสะ แห่งในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาหมวดสองแห่งบทว่าอนัยังนยติดังนี้โจประโยชอัญญบทอโถอันว่าอัดว่าอโยเชตวาไม่ประกอบแล้วสัทธาทุระศีละธทุระปัญญาทุเรสุในสัทธาทุระและศีระธทุระและปัญญาทุระทั้งหลายในยุชติย่อมประกอบอโยเก ในเรื่องอันไม่พึงประกอบอัญญบทอิติดังนี้อัญญบทพัสสะแห่งบทว่าอตุรายังอิติดังนี้อัญญบทอโถอันว่าอัดวาทุนนโยวะอันว่าการแนะนําชั่วเทียวตัสสะอัญญบทภาระสะเสยโสเป็นความดีของคนผ่านนั้นโหติย่อมเป็นประโยครวบทุนนโยวะ ตสะเสยโยโโหติคือว่าประโยครวบปัญจทุตสีละกัมมานิสมาทายะวัตนะเมวะเสยโยโหติติเอวังโสขันหาติจุลภาคอธิบายประโยครวบโสอัญโบทพาโลอันว่าคนผ่านนั้นขันหาติย่อมถือเอาเอวังอย่างนี้ว่า ปัญจะทุตสีละกรรมมานิสมาธายะวัตหังเอวะอ่านว่าการสมาทานซึ่งกรรมคือศีลอันโทษประทุสร้ายแล้วห้าทั้งหลายประพฤตินั่นเทียวเสยโยเป็นความดีโหติย่อมเป็นอิติดังนี้อัญญบทิติดังนี้อัญญบทปทสะแห่งบทว่าทุนนโยอิติดังนี้ว่าอีกอย่างหนึ่ง อัญโยบสโสอัญโยบภาโลอันว่าคนผ่านนั้นทุนนโยเป็นผู้อันบัณฑิตแนะนําได้โดยยากทุนนโยคือว่าเนตุงอาสักุนโยเนตุงอาสักุนโยเป็นผู้อันใครๆไม่พึงอาดเพื่ออันแนะนำฮีตับปฏิปัฏิยาในข้อปฏิบัติอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลอัญโยบโหติย่อมเป็นจรประโยชน์ อัญญบดอโธอันว่าอัว่าอัญญบทปรเรนะอัญญบดปุคเล е นะวุตโตปิแม้ผู้อันบุคคลอื่นว่ากล่าวแล้วเหตุนาโดยเหตุเหตุนาคือว่าการณีนะการณีนะโดยการอัญญบดอิติดังนี้อัญญบดปัทสสะแห่งบทว่าสัมมาอิติดังนี้จะประโยค อั ญ, ญบุตรอโถอันวาตว่าประโยครวบอั ญ, ญบุตรตยาเอวังอภิกกมิตพังอิติอาทิกังอาจารวินัยยังนาชานาติอั ญ, ญบุตรจะย่อมไม่รู้ซึ่งวินัยคือมารยามีว่าอันเจ้าพึงก้าวไปข้างหน้าอย่างนี้ดังนี้ด้วยประโยครวบโอวาทาังนัสัมปติชติจะ ย่อมไม่รับพร้อมซึ่งโอวาา ด, ด้วยอัญญบอิติดังนี้อัญญบดิปัสสะแห่งบทว่าวินัยาังอิติดังนี้อัญญบทอัโทโถอันว่าว่าภารสะอาทัทสนางเอวะอันว่าการไม่พบซึ่งคนผ่านนั่นเทียวสุนทรรงเป็นความดีอัญญบดโหติย่อมเป็นเอเตหิการเหิด้วยเหตุทั้งหลายเหล่านั้นอิติดังนี้ อัญญบดปะทะทวยายสะแห่งมัวสองแห่งบทว่าสาธุตัสสะอิติทางนี้ตาประสอันว่าพระดาบทข้านขันโตเมื่อรับวรังซึ่งพรอัญยังอื่นปุนาอีกอาหารกล่าวแล้วว่าอัญญบดอาหังอันว่าข้าพเจ้าทียรังปเสอัญญบทจะพึงเห็นซึ่งนักป ร, ราดด้วยทียรังสุเนอัญญบดจัก พึงได้ยินซึ่งนักปราดด้วยจุลภาคทีเรนะสหสั่งวเสออัญโยบทจักพึงอยู่ร่วมกับด้วยนักปราดด้วยจุลภาจุลภาตังทีเรนะอนลาปสันลาปังกระเรอัญยบทจักพึงกระทําซึ่งการสนทนาและประสาสัยด้วยนักปราดนั้นด้วยจุลภาตังวงเลเปิด ทีเรนะอันลาประสัลาปังคงไปิดโรจเยจะพึงชอบใจซึ่งการสนทนาและการปราศัยด้วยนักปราชญ์นั้นด้วยอิติทางนี้จะประโยคสโกอันว่าเท้าส ก, กะปุจิตราถามแล้วว่ากัสปะข้าแต่ท่านกัสปะทีโรอันว่านักปราชญ์อากังได้กระทาแล้วกิงนุซึ่งอะไราหนอ เตแก่ท่านจุลภาคอัญโยบทวังอันว่าท่านวัฏขขอจงบอกการณงซึ่งเหตุจุลภาคกษปะฆ่าแต่ท่านกษัปะอัญโยบทวังอันว่ท่านอภิกังข์ิยอมปรารถนาทศนังซึ่งการเห็นธีรศะซึ่งนักปราเกนะอัญโบทการณีนะเพราะเหตุอะไร อิติดังนี้จบะโยตาประโสอันว่าพระดาบทอาหากล่าวแล้วว่าทีโรอันว่านักปราชณนะนัยติย่อมไม่แนะนำอันยังซึ่งเรื่องอันบุคคลไม่พึงแนะนำณนะยุนชติย่อมไม่ประกอบอัทุรายังในสิ่งอันไม่ใช่ธุระจุลภาคสุนโย อันว่าการแนะนําดีอัญบททีรศเสยยโสเป็นความดีของนักปราดโหติย่อมเป็นจุลภาคอัญญบด ท, ทีโรอันว่านักปราดตสมาวุตโตผู้อันบุคคลอื่นกล่าวแล้วโดยชอบนักกุปติย่อมไม่โกรธจุลภาคโสอัญบททีโรอันว่านักปราดนั้นประช า, าติ ย่อมรู้ทั่ววินัยยังซึ่งอุบายเป็นเครื่องแนะนำจุลภาคอัญญบทตสมาพระเอสนนสมาคโมหันว่าการสมาคมเตนะอัญญบททีเรนะด้วยนักปราตนั้นสาธุเป็นการยังประโยชน์ให้สำเร็จอัญญบทิย่อมเป็นอิติดังนี้จบประโยคข้อที่41่ิฮิจิงอยู่ ปัญติตทัศนังปีแม้อันว่าการเห็นซึ่งบัณฑิตสุขขังเป็นสุขอัญญบดหัวติย่อมเป็นจุลภาคตุส่วนว่าภาระทัศนังอันว่าการเห็นซึ่งคนพาลทุกขังเป็นทุกข์อัญญบทโหติย่อมเป็นจุลภาคเตนะอัญญบทการณีนะเพระเหตุนั้นพระกวาอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหารตรัสไว้แล้ว สก่เทวินทวัตถุมิในสกะเทวินทวัตถุว่าทัศนังอันว่าการเห็นอริยานังซึ่งพระอริยเจ้าทั้งหลายสาหุเป็นความดีอัญญบดหัวติย่ำเป็นจุลภาคสันนิวาโสอันว่าการอยู่ร่วมอัญญบดเตหิอัญญบดอริยเยหิด้วยพระอริยเจ้าทั้งหลายเหล่านั้น สุขโขเป็นสุอัญญยบทโอติย่อมเป็นสะทาในการทุกเมื่อจุลภาคอัญญยบทภุคโลอันว่าบุคคลสุขีพึงเป็นผู้มีสุศิยาพึงเป็นนิจจังเอวะเป็นนิจนั่นเทียวอัทสเนนะประการไม่เห็นภารานังซึ่งคนผ่านทั้งหลายอิติดังนี้เจประโยชน อั ญ, ญบดกอโถอัญวาสว่าปิกเวดูกรพิสุทธ์ทั้งหลายทัศนังอันว่าการเห็นสัพริศานังซึ่งสัตจปรุษทั้งหลายสัริศานังคือว่าพุทธาทีนางปันทิตานังจุลภาคปันทิตานังซึ่งบดิตทั้งหลายพุทธาทีนางมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นสาหูเป็นความดีสาหูคือว่า สาธุสาธุเป็นการยังประโยชน์ให้สำเร็จสาธุสาธุคือว่าสุนทรังสุนทรังเป็นความงามอัญญบทโอติย่มเป็นอัญยบอิติดังนี้ประโยครวบต่ทาอัญยบทปเทสุอริยานังอิติอัญยบทปทัสสะแห่งในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาบทว่าอริยานังดังนี้จะประโยชน อัญโบทอโถอันว่าอธิบายว่าสุขขังเป็นสุขอัญโยบทิย่อมเป็นอิติทางนี้จุประโยคเกวัลังเตสังอริยานังทัศนังเอวะอันว่าการเห็นซึ่งพระอริยเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นอย่างเดียวนั่นเทียวอัญโบทสาหุเป็นความดีอัญโยบทิย่อมเป็นนะหามิได้จุลภาคอาธโข โดยที่แท้แลประโยกรวบเตหิอัญญบทอริเยหิสัตทิงเอกฐานีนิสีธนาทิพาโวปิแม้อันว่าความเป็นแห่งอาการมีการนั่งเป็นต้นในที่เดียวกันกับด้วยพระอริยเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นสาธุเอวะเป็นความดีนั่นเทียวอัญญยบโหัวติย่อมเป็นอิติเพราะเหตุนั้น อั ญ, ญบดษ์พระขวารอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหารตรัสแล้ววจนะนังซึ่งพระดํารัสสันนิวาสโสอิติอาทิงมีพระดํารัสว่าสันนิวาโสโถดังนี้เป็นต้นจุประโยคอั ญ, ญบดษอัฏโธอันว่าอัฏวาอัฏสนาเหตุเพราะเหตุแห่งการไม่เห็นอั ญ, ญบดษอิติดังนี้อั ญ, ญบดษ์ปัฏฐะแห่งบทว่า อัทสเนนะอิติดังนี้จจประโยคกอัญยบทอัโถอันวาจว่าปุคโลอันว่าบุคคลสุขิโตเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งสุขอัญยบทอิติดังนี้อัญญบทปทัสระแห่งบทว่าสุขีอิติดังนี้จจประโยคกป้าโถอันว่าพระบาลีสุขังอิติปิว่าสุขัง ดังนี้ก็มีข้อที่4ีสองหิจิงอยู่อัญญบดุคโลอันว่าบุคคลภารัทธศีผู้พบซึ่งคนพาลโดยปกติกรนโตกระทําอยู่ภาละวัจนังซึ่งคําของคนพาลปปโปติย่อมประสบทุกขังซึ่งทุกข์จุลภาคตุส่วนว่าอัญญบดุคโลอันว่าบุคคล ปัญติตทศีผู้พบซึ่งบัณฑิตโดยปกติกระโจนตักระทำอยู่ปัณฑิตาวชนังซึ่งคำของบัณฑิตอัญญบดปปโปติย่อมประสบสุขังซึ่งสุขจุประโยคจักก็วิพันติกะภิกขุอันว่าวิพันติกะภิกษุเอธาอัญญบดปัปเพนิทัสนังเปนูทาหอนในข้อนี้ อัญญบโหติย่มเป็นเจประโยชเรื่องวิพันติกาภิกษุกิระได้ยินว่าโสอัญญบทภิขุอันว่าภิกษุนั้นมหากะัะสปฐเถรสสะสัทธิวิหาริโกเป็นสัตธิวิหาริกของพระเถระชื่อว่ามหากรสปะจะตุทธชาณลาภี เป็นผู้ได้ซึ่งจะถุทธชานโดยปกติอัญญบทหุตวาเป็นทิศวาเห็นแล้ววิสภาขารูปารมนังซึ่งอารมณ์คือรูปอันเป็น่าสึกเคเหในเรือนมาตุลสักของลุงอัตโนของตนประโยครวบตาทะอัญญบทอารมะนีปฏิพัทธจิตโต เป็นผู้มีจิตอันเนื่องเฉพาะแล้วในอารมณ์นั้นอัญญบทหุตวาเป็นวิบพมิตตวาศึกแล้วอัญญบทเชเนหิเคหานิหโตผู้อัชนทั้งหลายนำหมอกแล้วจากเรื อ, อนอลาสภาเวนะพระความที่แห่งตนเป็นคนเกียจคร้านข้าเหตตวาถือเอาแล้วว่าจนังซึ่งคำป้าปะมิตานัง ของมิตรผู้เลวสามทั้งหลายกรโรนโตวิจารติย่อมเที่ยวกระทำอยู่ชีวิตตังซึ่งชีวิตโจรกักมเมนะด้วยคำของโจรโจประโยคเอกาทิวสังในวันหนึ่งโสัญญบทบริโส อ, อันว่าบุรุษนั้นเปรยียกรวบัญญบทราชาบริเสหิเขตวา ปชาพาหงอั ญ, ญบทกตวาท่านหังผานธิตตวาจะตุเกจะตุเกอั ญ, ญบทปหารเนกะสาหิตตาลิยมาโนผู้อันราชบรุษทั้งหลายจับแล้วมัดแล้วมั่นกระทาให้เป็นผู้มีแขนในข้างหลังเขี้ยนอยู่ด้วยหวายทั้งหลายในเพราะอันประหารอันมีประมาณสี่ ประมาณสี่อัญบทราชาบริเสหิอันราชบรุษทั้งหลายนิยตินำไปอยู่อาคาตนันงสู่ที่เป็นที่นำมาค่าทักกีนัททวารทางประตูแห่งทิทักษินราชาขาหะณะคารสะแห่งพระนครชื่อว่าราชครืจบปรโยตตั้งทีวสัง ในวันนั้นมหากัสโปอันว่าพระมหากัสปะประวิสิตตวาเข้าไปแล้วนักครังสู่พระนครปินทยยเพื่อกอนข้าวทิสว่าเห็นแล้วตังอั ญ, ญบปุริสังซึ่งบุรุษนั้นอั ญ, ญบทราชาุริสังการิตวายัางราชบุรุษให้กระทำแล้วพันธนังซึ่งเครื่องจองจำสิทิลัง ให้เป็นของหย่อนอาหะกล่าวแล้วว่าเปดเล็กในอัญญบทระวังอันว่าเจ้าอาวัชชาหิจงนึกถึงปรยียกรวบปุเพตยาปริหัตะกรรมมัฐานังซึ่งกรรมฐานอันอันเจ้าอบรมแล้วในการก่อนปูณอีอิติดังนี้จบประโยคโสอัญญบทปริโสอันว่าบรุษนั้น เทตวารับแล้ววจนังซึ่งคำเทราะสะของพระเถระจตุทะชานังยังชาี่สี่นิปติตวาให้มันเกิดแล้วปุนอีประโยครวบเตหิัญญบทราชาบริเสหิอาคาตนังเนตวาสูเลอุตตาสิโตปิผู้อันราชบรุษทั้งหลายเหล่านั้น ไปแล้วสู่ที่เป็นที่นาํามาฆ่าให้นอนงายแล้วบนหล่าบ้างประโยครวกอัญมบทเตหิอัญมบทราชาุบบริเสหิอาวุเทหิสันตจิโตปิบวญราชบริษทั้งหลายเหล่านั้นขู่แล้วด้วยอาวุธทั้งหลายบ้างนาภายติย่อมไม่กลัวโจประโยคราชา บ, บุริษา อันว่าราชบุรุษทั้งหลายที่สวาเห็นแล้วตั้งอัญมบทบริสังซึ่งบุรุษนั้นอาภายันตังผู้ไม่กลัวอยู่กระเถสูงกราบถูนแล้วพิมพิสารัโยแต่พระราชาพระนามว่าพิมพิสารเจ้าพระโยคราชาอันว่าพระราชาวัตตวาตัดแล้วว่าเปิดเล็กในตุ้มเหอันว่าท่านทั้งหลาย วิสเชธะจงปล่อยนางอัญญบทบริสังซึ่งบุรุษนั้นอิติดังนี้คันตวาเสด็จไปแล้วเวลุวานังสู่พระเวลุวันารโรเจสิกราบทูลแล้วสัทธูแด่พระศาสดาโชประโยศัทถาอันว่าพระศาสดานิสิตโนประทับนั่งแล้วเวลุวณีนในพระเวลุวัน พริตาวาทรงแผ่ไปแล้วโอภาสังซึ่งพระรัศมีเทเสสิทรงแสดงแล้วธ ร, รมังซึ่งธรรมตัสะอัญญบทบริสสะแก่บรุษนั้นโสอัญญบทบริโสอันว่าบรุษนั้นสุตวาฝังแล้วเทสนังซึ่งเทสนานิสินโนนั่งแล้วสูลเกเอวะนปลายแห่งเหล่านั่นเทียว สัมมาสันโตพิจารณาอยู่สังขารเรซึ่งสังขารทั้งหลายอารเปตวายกขึ้นแล้วติลักขณังสู่ไตรลักษ์โสตาปนโนเป็นโสดาบันหุตวาเป็นขันตวาไปแล้วสันติกังสู่สำนักสัตุของพระาศาสดาเวหาเสนะทางเวหา ปาปชิตวาบวชแล้วปาปูนิบรรลุแล้วอรหัสตังซึ่งพระอรหัสสราชิกายะปริสายะมัจเจเวะในท่ามกลางแห่งบริษัทอันเป็นไปกับด้วยพระราชานั่นเทียวอิติดังนี้แลจประโยควิพันติกาวัตถุอันว่าเรื่องแห่งวิพันติกาภิกษุตัณหาวะเก ในตันหาวัตธ ร, รมมะปทัสะแห่งธรรมบทอัญญบทนิธิตังจบแล้วจบประโยคข้อที่43อาอภิจัอีกอย่างหนึ่งภาลาอันว่าคนพานทั้งหลายอัตานังจะอย่างตนด้วยประโยครวบอัตโนวจนะการเกอัญญบทชนีจะยังชนทั้งหลาย ผูกกระทำซึ่งคำของตนด้วยวินาเสติยอมให้พินาศประโยครวบอัตนาทุกขิเตนะอัญบทก์กเมนะประกรรมอันอันตนถือเอาชั่วแล้วประโยครวบยถาเทวทัตตาทะโยอญญบทป้าปชนะัชชาราวกับอันว่าบาปชนทั้งหลายมีพระเทวทัตเป็นต้นเจ้ประโยคเรื่อง พระเทวทัตกีระได้ยินว่าเทวทัตโตอันว่าพระเทวทัตอนุปปพชิตวาผนวด ต, ตามแล้วสัทธารังซึ่งพระศาสดาโปธุชนิกิตทิลาภีเป็นผู้ได้ซึ่งฤทธิ์อันเป็นของมีอยู่แห่งพุทุชนโดยปกติหุวตวาเป็นอาชาตะสัตถุนากะตะลาภะส ก, การโ เป็นผู้มีลาบและสการะอันพระราชกุมารพระนามว่าอาชาติตรูทรงกระทำแล้วอโหสิได้เป็นแล้วอปรพาเคในการเป็นส่วนอื่นอีกจบประโยคโสอัญญบทเทวทัตโตอันว่าพระเทวทัตนั้นลาพสการะพิภูตโตผูอันลาบและสการะครอบงำแล้ว ป้าปจิตตังยังความคิดอันชั่วช้าว่าเปรเล็กนอะหังอันว่าเราปริหาริษมิเจ้ากปกครองภิกขุสังขังซึ่งหมู่แห่งภิกษุอิติดังนี้อุปาทิตตวาให้เกิดขึ้นแล้วปริหายิตตวาเสื่อมรอบแล้วอิธิโตจากฤทธิสะหะจิตตุ ป, ปาทา พร้อมด้วยความเกิดขึ้นแห่งจิตขันตวาไปแล้วเวรุวานังสู่พระเวรวันเอกทิวสังในวันหนึ่งวันทิตตวาถวายบังคมแล้วสรัทธารังซึ่งพระศา ส, สดาวัตวากราบทูลว่าเปิดเลขในพันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเอตระหิในการนี้ระกวาอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า ชินโนเป็นผู้ทรงชราแล้วมุตโตเป็นผู้เท่าแล้วมหันละโกเป็นผู้ถือเอาซึ่งความเป็นแห่งคนแก่อัญญบดหัติย่ำเป็นจุลภาอัญญบดภรควาอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าอัปโปสุโกเป็นผู้มีความขวนขวายน้อยอัญญบดหุตวาเป็นอนุยนชตุ ขอจงทรงตามประกอบทิฏฐธรรมสุขวิหารังซึ่งทำเป็นเครื่องอยู่สบายในธรรมอันสั์เห็นแล้วจุลภาคอาหางอันว่าพระองค์ปริหริสามิเจ้ากปกครองภิกขุสังฆังซึ่งหมู่แห่งภิกษุจุลภาอัญโบทุมเหออันว่าพระองค์เนยยเทถะขอจงส่งมอบให้ภิกขุสังฆัง ซึ่งหมู่แห่งภิกษุแม่แก่ข้าพระองค์อิติดังนี้ประโยครวบสัทธาราเคลาสิกะวาเทนะอปัสาเทตวาปฏิกคิตโตผวนพระศาสดาทรงรกราแล้วด้วยวาทาว่าผู้กลืนกินซึ่งน้ำลายทรงห้ามแล้วอนัตตมโน เป็นผู้มีใจไม่ใช่เป็นของมีอยู่แห่งตนอั ญ, ญบดอุตวาเป็นพันธิตวะผูกแล้วอาคาตังซึ่งความอาคาสัตริในพระศาสดาปกามิหลีกไปแล้วเจ้าประโยคอปรภพาเคในการเป็นส่วนอื่นอีกโสอั ญ, ญบทเท ว, วทัตโตอันว่าพระเท ว, วทัตนั้นมันเตตวาปรึกษาแล้ว อาชาตสัตตุรัญญาสัทิงกับด้วยพระราชาพระนามวา่าชาสตรูเปเ ศ, ศตาวาส่งไปแล้วธนุคาเหซึ่งนายขมังธนูทั้งหลายวัทนถังเพื่ออันปร่งพระชนสัตตุซึ่งพระศาสดาเตสุอัญญบทธนุคาเหสุครั้นเมื่อนายขมังธนูทั้งหลายเหล่านั้นปัตวาบันลุแล้ว ปัทมังพลังซึ่งผลที่หนึ่งนิวัตันเตสุกลับมาอยู่อารุยหะขึ้นแล้วคิจกูตังสู่ภูเขาชื่อว่าคิจกูรสยังเองปวิชิตวากลิ่งแล้วสิลังซึ่งศิลากตวากระทําแล้วโลหิตุปปาทกำมังซึ่งกรรมคือการยังพระโลหิตให้ห่อ วิสัตชาเป็นโตให้ปล่อยอยู่นาราเคียริงซึ่งช้างชื่อว่านาราคิรีสัตุวัฒนถังเอวะเพื่ออันปร่งพระชนซึ่งพระศาสดานั่นเทียวปุนาอกจุลภาคณอสกิไม่ได้อาจแล้วอัญบทสถารังมาเรตุงเพื่ออันอย่างพระศาสดาให้สิ้นพระชนจบประโยชน โสัญญบทเทวทัตโตอันว่าพระเทวทัตนั้นตาโตัญญบทกาลโตปัททายะปริฮีนะลาภัสการโรผู้มีลาบและสการะอันเสื่อมรอบแล้วจำเดิมแต่การนั้นโกหันเยนะชีวิตุกามโมเป็นผู้ใครเพื่ออันเป็นอยู่ด้วยความเป็นแห่งการหลอกลวงอัญญบทอุตวาเป็นอุปสรรคมิตวา เข้าไปเฝ้าแล้วสถารังซึ่งพระศาสดายาจิทูลขอแล้ววัตถุนี้ซึ่งวัตถุทั้งหลายปัญจะห่าว่าเปิดเล็กในพันเตข่าแต่พระองค์ผู้เจริญสาธุดังข้าพระองค์ขอประทานพระวโรกาสพิกูอันว่าพิสูจทั้งหลายอารัญญกาภึ่งเป็นผู้อยู่ป่าอสุพึงเป็น ยาวะชีวังสิ้นการกำหนดเพียงไราแห่งชีวิตจุลภาคอัญญบทภิขูอันว่าภิกษุทั้งหลายปินทปาติกาพึงเป็นผู้เที่ยวไปเพื่อบินถาตวงเล็บเปิดอสุพึงเป็นยาวชีวังสิ้นการกำหนดเพียงไรแห่งชีวิตวงเล็บปิดจุลภาคอัญญบทพิคูอันว่าภิกษุทั้งหลาย บังสุกูลิกาพึงเป็นผู้ส่งไว้ซึ่งผ้าบางสกลุลวงเลเปิดอสุพึงเป็นยาวชีวังสิ้นการกำหนดเพียงไรายแห่งชีวิตวงเลปิดจุลภาอัญโบทภิขุอันว่าภิกษุทั้งหลายรุกขมู ล, ลิกาพึงเป็นผู้อยู่ที่โคนแห่งต้นไม้วงเลเปิดอสุพึงเป็นยาวชีวังสิ้นการกำหนดเพียงรแห่งชีวิต คงไล้ปิดจุลภาคอั ญ, ญบทพิกขูอันว่าภิกษุทั้งหลายนักขาเธยยุงไม่พึงฉันมัจฉะมังสังซึ่งปลาและเนื้ออั ญ, ญบทยาวชีวังสิ้นการกำหนดเพียงไร่แห่งชีวิตอิติ ด, ดังนี้เจ้าพระโยคสถานว่าพระสัสดาณนะอนุชานี้ไม่ส่งอนุ ญ, ญาตแล้วเจ้าพระโยโสอั ญ, ญบดเทวทัตโต อันว่าพระเทวทัตนั้นวัตตวากล่าวแล้วว่าเปิดเล็กนายอัญญบทโกอันว่าใครทุกขามุตจิตุกามโมเป็นผู้ใครเพื่ อ, อนพนจากทุกข์อัญญบดหุตวาเป็นอาคขจตุจงมามายาสติงกับด้วยเราอิติดังนี้ขยตว่าเ่าแล้วประโยครวบเยอัญญบทภิขู ตัสสะอัญญบดเทวทัตตัสสะวจนงขันหันติเตอัญญบดภิกขุซึ่งอันว่าภิกษุทั้งหลายเหล่าใดย่อมถือเอาซึ่งคําของพระเทวทัตนั้นภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นชนางยังชนรู้ขับประสนนางผู้เลื่อมใสแล้วในวัตถุอันปรสัญญาเป็นโตให้รู้พร้อมอยู่ วัตถุหิด้วยวัตถุทั้งหลายปัญจหิห้าอัญญบทอัญญามันยังยังกันและกันวิญญาเปตตวาให้ขอแล้วอัญญบทปัจเยซึ่งปัจจัยทั้งหลายกุเลสุในตระกูลทั้งหลายพุนชนโตบริโภคอยู่ปารักะมันโตพยายามอยู่สังคภัทายะเพื่อนทำลายซึ่งสงนิสีทิตวา นั่งแล้วสัิงกับปริสายะด้วยบริษัทอัตโนของตนอุโปสทธทิวเสในวันแห่งอุโบสถวัตวากล่าวแล้วว่าเปิดเล็กในวัตถุนี้อันว่าวัตถุทั้งหลายปัญจหาอิมานิเหล่านี้ข้ามันติย่อมควรยะสะอัญญบทพิคุโนแก่ภิกษุใดจุลภาค โส so, อัญยบทภิกุอันว่าภิกษุนั้นค้นหาตุจงจับสลากรังซึ่งสลากอิติดังนี้สลากายะครั้นเมื่อสลากพิกุสเตหิอันร้อยแห่งพิกษุทั้งหลายบัญจะหิตห้าอากโววิเทหิผู้ไม่ฉลาดธรรมะวินัยเยในพระธรรมวินัยขหิตายะจับแล้วพินทิตวาทำลายแล้ว สังคังซึ่งสงฆโตไปแล้วขยาศีสาวิหารังสู่ขยาศีสะวิหารจะประโยคโสอัญญบทเทวทัตโตอันว่าพระเทวทัตนั้นคิลาโนเป็นไข้หุตวาเป็นมาเสตลอดเดือนทั้งหลายนวะเก้าปัฏฐายะจำเดิมตาโตอัญญบทกาละโตแต่การนั้นสัารังท กาโมเป็นผู้ใกล้เพื่อนเฝ้าซึ่งพระสัสดาภุตาวาเป็นประโยครวบอัตโนสาวเกหิมันจะเกนะอาทายะสาวถิงนีโตผู้อันพระสาวกทั้งหลายของตนพาวแล้วด้วยเตียงน้อยนำไปแล้วสู่กรุงสาวัตถีปตตวาถึงแล้วโปกรณีตีรัง ซึ่งขอบแห่งสะโบครณีที่ตัง้งอันตั้งอยู่แล้วพระหิในภายนอกเชตะวะนาโตแต่พระเชตวันปวิสิตวาเข้าไปแล้วปัทวิงสู่แผ่นดินตะทาเอวะอัญยบดฐาเนในที่นั้นนั่นเทียวเนพาติมันเกิดแล้วอวีจิมหิในเอเวจีจะประโยค เทวทัตตาวัตถุอันวเรื่องแห่งพระเทวทัตอัญบทนิธิตังจบแล้วจบประโยค